กเกียตรติกายไปจนได้อ่าวันนี้จิตมันดื้อดื้อไปเราตั้งใจจะฝึกทรมานจิตตัวดื้อนั่นเองะคือปัญญาของเราต้องใช้อย่างนี้ไม่ดื้อไม่ทรมานแม้แต่ศัตร์หรือบุคคลใครๆก็ตามเช่นเด็กไม่ดื้อไปดูดาว่ากล่าวเขาทําไมคนในวงงานของเราคนในครอบครัวของเราไม่ทาผิดดูดาว่ากล่าวกันทําไมนี่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 ตลอดเวลาเนี่ให้เกิดความสงบขึ้นมาผลคือความเย็นใจออกมาจากความสงบความเย็นใจความสบายใจแล้วปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาภายในตนทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยคิดว่าจิตใจเรามีคุณค่าตัวเรามีคุณค่านี่แต่ความรุ่มร้อนหาแต่ที่เกาะหาแต่ที่อาศัยอัตยตโนนาโถตัวมีชื่อเพิ่งของตนไม่สนใจเลยนี่แต่พึ่งผู้อื่นพึ่งอะไรก็ไม่สราบเพึ่งเดือนพึ่งปีพึ่ง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 ให้เกิดขึ้นพนานจิตใจด้วยการพิจารณาในทางปัญญาพิจารณาไปตรงไหนรู้สิไม่ว่ารูปชนิดไหนต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านท่องกี่ชั้นกี่ห อ, อ ก, ก็ตามเถอะมันพินาศ ช, ชิบหายลงไปหมดจะสร้างไปจากกี่พันชั้นอา้าวมันก็ออกไปจากอิฐจากปูลจากหินจากทรายนั่นเองแล้วไปหลง อ, อะไรมันมกี่พันชั้นมันก็คืออิฐคือปูนคือหินคือทรายคือเหล็อะไรเหล่านี้ซึ่งเต็มอยู่แผ่นดินนี้เอง เพราะตื่นอะไรมันนี่การพิจรารณาด้วยปัญญาคนเราก็คนเขาก็คนตื่นอะไรกันเน <million. S 1> <heut. S 2> ี่ยเสียงเราก็เสียงเราก็มีเสียงเขาก็มีเสียง ต, ยยยย yea. ตื่นอะไรกลิ่นร od, เราก็มี it, ลก ล, กลิ่นเขาก็มีกลิลล่ น, นตื่นอะไรการรสเราก็มีเรารู้อยู่ทุกวันรถอะไรบ้างเราก็รู้แล้วตื่นรถอะไรอีกเครื่องสัมผัสสัมผัสทั้งวันทั้งคืนตื่นอะไรสัมผัสมาตั้งแต่วันเกิดจนมาัึงวันนี้ยังไม่หายตื่นเลยหรอตื่นอะไร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 ให้มันจนรู้รู้แล้วมันถอนอ่าวอาการทั้งห้ามันมีนอะไรที่ควรจะแบบจะหามเป็นตนเป็นตัวของเราดินทั้งก้อนอยู่ในร่างกายนี้เป็นก้อนดินเราก็ทราบชัดๆแล้วด้วยปัญญาเอาปล่อยปล่อยทั้งอุปท า, านถึงจะรับผิดชอบกันอยู่ก็ปล่อยทางด้านจิตใจจะเป็นความสุขความสบายเวทนาก็ให้รู้เรื่องของมันฮะมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอย่าไปเสกสรรว่า ม, ม, มันเป็นอย่าง น, างนั้นนี้มันจะปลอม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 แนะไหนยันชาติใครมันไปหลงไปงมงายกับสิ่งนี้ถ er ja ้าไม่ใช่จิตตัวอวิชาครอบหัวมันอยู่นั่นค้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปตัวนั้นแหละตัวหลงจริงๆราก็หมายความหลงจริงคือใจเพราะฉะนั้นใจจริงต้องรับแต่ทุกข์ทั้งนั้นเกิดมาจากไหนความปรุงปุงมาจากไหนสัญญาหมายมาจากไหน